ติดเพ่งมันติดของดีนะมันไม่ใช่ของเลวพวกเราเป็นคนดีเราไม่ติดของเลวแต่เราติดของดีบางคนติดบุญวั น, ว, นวันคิดแต่ทำบุญทํโน้นทำ น, น, ทำนี้คิดตลอดเลยว่าจะไปทำบุญอะไรนี่ก็ภาวนายากติดดีไปบอกให้เลิกก็รู้สึกใจบาปไปบางคนติดศีล ถือศีลแล้วก็ภูมิใจนะแล้วก็วันวั น, วนก็คอยแต่กังวลเรื่องศีลก็ภาวนาไม่ออกเหมือนกันเครียดถือแล้วเครียดอะไรเงี้ยบางคนติดสมาธินั่งสมาธิเพ่งไว้สงบสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าสงบแล้วมันดีอีกพวกหนึ่งคิดว่าสงบแล้วมีความสุขดีแล้วพอใจในความสุขอันนี้ พวกที่พอใจในความสุขก็จะติดความสุขไปเรื่อยๆแก้ยากหน่อยถ้าทำสมาธิมีความสุขอย่าไปบอกว่าอย่าไปทำให้เจริญปัญญาเจริญปัญญาเห็นแต่ทุกข์เลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้นะมีความสุข่็สุขอยู่อย่างนั้นนะสุขไปเรื่อยๆเวลาสมาธิเสื่อมไปความสุขหายไปก็เดือดร้อน พวกหนึ่งก็ติดสมาธิด้วยความเชื่อที่ผิดว่ต้องเพ่งเอาไว้ก่อนแล้วปัญญาจะเกิดทีหลังการเพ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาคนทําสมาธิเก่งมีตัวอย่างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราทําสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนสมัยไหนก็คิดอย่างนั้นแหละขนาดเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไป จะไปหาธรรมะงานแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธิก็เหมือนพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรม ท, ทีไรก็ต้องคิดถึงาต้องไปนั่งสมาธิท่านนั่งอยู่ไม่กี่วันท่านได้ชงชาญที่8ดอาจารย์ก็บอกจบหลักสูตรแล้วละ่ะให้ท่านช่วยสอนให้เป็นครูช่วยสอนต่อไปได้เป็นทายาทสานักนี้ ท่านบอกไม่เอานะท่านพบว่าไปทําสมาธิเหมือนอาจารย์สุดยอดของอาจารย์แลก็ไม่พ้นทุกข์หรอกเริ่มตน้นท่านก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนท่านก็ไปนั่งเหมือนที่พวกเราทําแต่ท่านฉลาดไม่กี่วันนะท่านพบว่ามันไม่ใช่ทางหรอกแตวพวกเราฉลาดไม่เท่าท่านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอรรถบัตรมีเราไม่เท่าท่านบางคนนะท่านบอกให้คลายจากสมาธิที่เพ่งเอาไว้มาสู่สมาธิ ที่ใช้เจริญปัญญาทนไม่ได้นะมันขัดกับความเชื่อที่ว่าต้องนั่งสมาธิมากๆถึงจะเจริญปัญญาได้สักสิบกว่าปีมานานแล้วนะนานแล้วสมัยหลวงตามหาบัวยังแข็งแรงอยู่ท่านไปออกโทรทัศนมีคนถามท่านบอกว่าหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมท่านอาหารกลับมาถามฮะเกิดอะไรนะ ผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนั่งสมาธิมันก็มีวิธีการของการทำสมาธิแล้วก็มีผลของการทำสมาธิการเจริญปัญญาก็มีวิธีการของการเจริญปัญญาแล้วก็มีผลของการเจริญปัญญาซึ่งแตกต่างกันตั้งแต่วิธีการจนถึงผลลัพธ์ที่ได้นะเราต้องเรียนให้มากหน่อยนะถ้าติดสมาธิติดเพ่งอยู่ ถ้าติดพระติดความสุขเนี่ยก็ต้องใจเด็ดให้รู้ทันว่าจิตมันมีราคาอยู่นะที่ทำสมาธิแล้วมันว่างมันสบายมันมีความสุขให้เห็นลงไปเลยว่าเนี่ยมันมีราคาซ่อนอยู่ถ้าเห็นว่ามีราคาอยู่นะมันก็คล้ายๆเราเริ่มฉลาดแล้วเราเห็นว่าเราเัาอยู่กับความสุขปลกเราไม่ได้อยู่กับของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกแต่อยู่กับความสุขปลกเพราะเรามีราคะซ่อนอยู่ ถ้เห็นถึงราคาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของการทําสมาธิแล้วติดสมาธินะใจจะคลายจากราคะออกแล้วก็จะไม่ติดสมาธิงั้จะติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่ามีราคะแล้วเห็นหรือไม่เห็นนะนี่เป็นหลักเลยนะส่วนพวกที่คิดว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาผู้นี้ต้องฟังให้มากหน่อยต้องเรียนให้มากหน่อยแจยชายสิทธาถาเป็นตัวอย่างมาแล้วนะเมื่อตอนสามขวบเนี่ย มีงานแลกนาขวัญพระเจ้าสุดโทธนาไปไถนาเจ้าชายสุทธิธะเนี่ยพี่เลี้ยงก็พาไปอยู่ใต้ต้นว่าแตอยู่ใต้ต้นว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนากันทิ้งท่านอยู่องเดียวท่านอยู่องเดียวนีท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจใหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้วหายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นรู้วหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้วหายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับไปรู้ว่าลมหายใจระงับจิตเป็นหนึ่งขึ้นมานะได้ปฐมฌานสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่ที่หลวงพ่อเรียกว่าสมาธิอย่างที่สองคือรักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาความสงบหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเห่นไหมรู้อยู่นะไม่ใช่ขาดสติไม่ได้เคลิ้มนะ หายใจไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเนี่คือสมาธิที่วิเศษเจ้าชายสิทธัตเข้าปฐมฌานได้นะโดยที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานเนี่ยมีสองพวกนะพวกหนึ่งเรียกอารมณูปนิชานจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เช่นไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับท้องไปอยู่กับมือไปอยู่กับเท้าจิตไปตั้งแล้วก็เข้าฌานหนึ่งสองได้ ฌานอีกชนิดหนึ่งจิตไม่ได้ไปตั้งที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็เข้าฌานหนึ่งสองสามสีดได้ได้เหมือนกันนะได้ฌานเหมือนกันแต่ที่ตั้งของจิตนั้นะไม่เหมือนกันเป็นจิตที่ไม่ขาดสติเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขนาดโลกธาตุดับนั่งสมาธิไปโลกดับพายุฟ้าผ่ า, าเปรี้ยงๆนี่หายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปเนะหลือจิตอันเดียวยังไม่ขาดสติเลยนะ ดวงเดียวเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่คิดไม่เนื้ออะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยสมาธิที่มันถึงฐานจริงๆนะสมาธิของชาวพุทธจริงๆมันเป็นแบบนี้เมื่อตอนสามขวบทำไมเจ้าชายสิทธัตถะทำได้ก็เพราะว่าสร้างบารมีมาม า, มากเหมือนอย่างพวกเราหัดที่จะรู้สึกตัวหัดให้จิตตั้งมั่นอะนี้สะสมไปวันข้างหน้านะเกิดชาตินี้ไม่บรรลุมากผลอะไรชาติต่อต่อไปนะ ได้ยินธรรมะหรือว่าไม่ได้ยินธรรมะก็ตามแต่จิตคุ้นเคยที่จะฝึกให้ตัวเองตั้งมั่นพอมีโอกาสนะตอนเด็กๆจะฝึกขึ้นมาจะทาขึ้นมามีตัวอย่างร่วมสมัยหลายคนนะอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านเราอยู่เล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้หน้าบ้านนะตกใจคว้าลูกหินได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ ก้าที่1ไม่รู้ตัวเก้าที่2ไม่รู้ตัวพอะก้าที่สเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยพรึบขึ้นมาเลยนะไปเห็นจิตที่ตกใจเข้าความตกใจขาดสะบ้านเลยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยไม่มีความตกใจไม่มีความกลัวไม่มีความลุกริลุกโลนเหลือเดินไปบอกพ่อแล้วก็แปลกใจเห็นผู้ใหญ่เขาวิ่งไปวิ่งมานะเขาตกใจนั้นเราเฉยเฉยเสร็จแล้วก็ลืมลืมสภาบ้านนี้ไปมีพระอีองค์หนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะ อตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชเป็นวัยรุ่นไปนงานลอยกระทงแล้วเขาจุดพลุใกล้ๆ ต, ต, ตัวท่านท่านไม่ทนาาันระวังไม่ทันรู้ว่าเขาจะจุดพลุตรงนี้เลยมันระเบิดเปรี้ยงแล้วท่านตกใจตกใจเนี่ยสติระลึกเห็นจิตที่ตกใจแนละจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยพอท่านไปเรียนกับหลวงพ่อนะพ่อภาวนาจิตถึงฐานขึ้นมาแล้วท่านบอกเลยว่าอันนี้ของเก่าของเก่าซึ่งเคยมีเมื่อตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วก็ลืม เจ้าชายสิทธัตถบารมีสมขวบเท่านั้นนะนะบารมีท่านมากสาขวบเท่านั้นเองไม่ต้องรอเป็นวัยรุ่นไม่ต้องรอสิบขวบไม่ต้องรออะไรหรอกแค่สมขวบอยู่คนเดียวนะัท่านหายใจตัวรู้ท่านก็เด่นดวงขึ้นมานะแล้วท่านก็ลืมนะแล้วท่านก็ลืมตอนที่ท่านออกจากวางังท่านเลยไปหาสมาธิกระลือสีเหมือนที่พวกเราชอบทำอะ่นะคิดถึงการปฏิบัติทำทีไรต้องไปนั่งสมาธิทุกทนะีคิดว่านี่แหละคือโซลูชัน หมันไม่ใช่ท่านชายศิทธ า, ธาใช้เวลาไม่กี่วันก็ได้ข้อสรุปว่านี่ไม่ใช่ทางท่านก็สแสวงหาต่อไปนะจะสู้กับกิเลสสู้ด้วยการนั่งสมาธิไม่ได้เพราะออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาใหม่งั้นท่านสู้ด้วยการทรมานมั น, นอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทําให้มันไม่สุขไม่สบายทรมานหวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจตัวเองชนะกิเลสได้ ทำอยู่หลายปีเลยนะตอนนั่งสมาธิท่านใช้เวลาไม่กี่วันแต่ตอนที่ทรมานร่างกายนี่ท่านอดทนอยู่หลายปีนะเกือบเต็มหกปีนั่นแหละสุดท้ายท่านก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิแล้วข่มกิเลสเงียบเงียบไ้ไม่ใช่การทรมานร่างกายเพื่อจะเอาชนะกิเลสไม่มีทางเลยสุดท้ายท่านนึกถึงของเก่าที่เคยทาได้นะ ก็คือทางสายกลางการปฏิบัติทางจิตที่จิตตั้งมั่นถึงฐานอันนี้ในตำราในนิทานทั้งหลายก็ชอบเล่าว่าพระอินมดีตพินดีดพิ น, พนสามสายสายที่หนึ่งหย่อนไปไม่เพาะสายที่สองตึงไปขาดไปเลยนะสายที่สพอดีเนะจาชายิทธัตถาก็เลยคิดถึงทางสายกลางไม่หย่อนไม่ตึงหย่อนนี้เคยหย่อนมาแล้วเคยเป็นเจ้าชายนะ สนองกิเลสตลอดเวลาคิดว่าสนองกิเลสไปเรื่อยนะกิเลสก็ดับอย่างเรามีความอยากอะไรสักอย่างใช่ไหมพอเราสนองความอยากไปความอยากอันนั้นดับแต่ปรากฏว่าความอยากใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉั้นการตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้การมาฝึ ก, กจิตให้สงบก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้นะการมาทรมานร่างกายที่เคร่งเครียดเกินไปว่าทรมานมากก็สู้กิเลสไม่ได้ ท่านคิดถึงทางสายกลางทางแห่งความมีสติมีปัญญานั่นเองท่านก็เริ่มนั่งสมาธิใหม่ทำสมาธิแบบของเดิมของท่านไม่ใช่ทำสมาธิแบบฤษีหายใจ อ, ออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวไปนะท่านก็เอามาสอนพวกเราทีหลังพิสูจนทั้งหลายให้เธอคู่บรรลังคู่บรรลังคือนั่งขัดสมาธิ คูบันลังตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวมีคําว่ารู้นะมีคําว่ารู้เกิดขึ้นแล้ท่านหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปจิตทีรวมเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานปฏิยฌานจ ต, ตุตตาฌานฌานที่สถึงฌานที่4เนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเต็มที่เลยเป็นอุเบกขา ข้ามปีติข้ามความสุขไปได้จิตเป็นกลางอันนี้จิตเป็นกลางด้วยสมาธิเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะ์ท่านมาใช้ปัญญาพิจารณาคำว่าพิจารณาไม่ใช่คิดลอยๆนะพวกเราคิดไงังแล้วคิดไม่ออกหรอกพิจารณาเนี่ยคือดูนะอาจจะช่วยมันคิดตอนต้นนะแต่ว่าต้องมีสภาวะทำรองรับนะมีรูปธรรมนามาทำรองรับ ท่านดูเลยความทุกข์อยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันถึงมีความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าปราศจากตาหูจมูกลิ้นกายใจความทุกข์จะไปตั้งอยู่ที่ไหนนะความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยท่านดูของจริงนะดูทวนทวนทวน ล, ล, ล, ลงมาจนถึงอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่รู้กิจต่อทุกข์ว่าเราต้องรู้ ทุกนะทุกเนื้อกิจต่อทุกคือการรู้ไม่รู้จักสมุทยัยคือตัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกไม่รู้กิจต่อสมุทยัยนะว่าต้องละตัญหาไม่รู้จักนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกก็คือพระนิพพานไม่รู้กิจต่อ น, นิพพานเนะช่นจะไปทํานิพพานขึ้นมานิพพานไม่ต้องทํากิจต่อ น, นิพพานคือการทําให้แจ้งเข้าไปเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วเรามีหน้าที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเท่านั้นเอง ไม่รู้กิจต่อมรักนะไม่รู้อะไรคือมรักไม่รู้กิจต่อมรักมรักก็มีองค์แปย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเนี่ยพอท่านรู้แจ้งอริยสัจนะเห็นจริงในกองทุกพอท่านรู้ทุกทันทีที่รู้ทุกท่านก็ลาสมูไทไถ่แจ้งนิโรธเกิดอริยามรรคขึ้นเลยนะในขณะจิตเดียวกันเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งเนี่ยทางดําเนินนะทางดําเนินบางคนจะเข้าใจผิด บอกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มจากกายด้วยการทําอานาปนาสติเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะทําอานาปนาสตินั้นเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยท่านทําอานาปนาสตินั้นทําสมถะเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้จิตถึงฐานเท่านั้นแหละเสร็จแล้วท่านเจริญปัญญาด้วยการเจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานในหมวดของอริยสัจ งันท่านรู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะรู้แจ้งอริยสัจนะไม่ใช่เพราะธรรมานาปนสตินะเนี่ยคนจะมั่วมากเลยบอกท่านบารรลุพระอรหันต์นะเป็นพระุทธเจ้าเพราะธรรมานาปนสติไม่ธรรมานาปนสติเป็นกายต้องเริ่มที่กายอย่างเดียวอันนี้เข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะบางท่านท่านก็ทําที่กายนะตั้งแต่ต้นจนจบบางท่านท่านก็ทำที่เวทนาบางท่านก็เจริญที่จิตบางท่านใช้ธรรมานุปัสสนา สติปัฏฐานสี่นั้นเหมือนประตูเมืองสี่ด้านเข้าประตูใดก็ได้นะเข้าถึงในเมืองได้เหมือนกันเป็นประตูสีทิศนะไม่ใช่ประตูสี่ชั้นนะไม่ใช่เริ่มจากกายพระนนทเคยได้ยินชื่อหัหยพระนนทถ้าเราไปสมัยพุทธกาลนะมีทามิชีนย้อนไปไปถามหาพระนนทพระทั้งวัดจะบ่แแบไม่รู้จักตเรียกพระอนนต์คนไทยไปเรียกพระนนท์พระอนันต์ พระนันพระนนี่แหละในพระไตปิดกบอกไว้เลยบอกวันรุ่งขึ้นนยะจะต้องสังคยนาละท่านจะต้องไปสังคยนาแต่ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ภาคเปลี่ยนตลอดคืนเลยในตําราบอกไว้นะบอกว่าพระนนเนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคือมีสติอยู่ในกายคำว่ากายคตาสติตัวนี้ไม่ใช่แยกผมขเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32 ตามกายคตาสติในหมวดของสมถะนะแต่กายคตาสติตัวนี้ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานแสดงว่าพระนนท์เนี่ยจเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะจนบรรลุพระลรหันนะพระสารีบุตรฟังธรรมะเรื่องเวทนารู้แจ้งในเวทนาเห็นเลยเพราะมีเวทนาก็เลยมีตัณหาอุปาทานเลยขึ้นมานะแจ้งขึ้นมาเจ้าพอมีผัสสะตาเห็นรูป มีผัสสะเวทนาถึงเกิดเนี่ยรู้รู้จักเวทนารู้จักการทํางานของเวทนาท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยการแจ้งเวทนาพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยเป็นนักดูจิตท่านแจ้งธรรมมาขึ้นมาด้วยจิตตานุปัสสนาตัวอย่างท่านที่บรรลุได้ธรรมานุปัสสนาก็พระพุทธเจ้าเราบรรลุได้ธรรมานุปัสสนา เนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์นะท่านมากันคนละแบบกันนั่นแต่ท่านเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันเข้าไปถึงระนิพานอันเดียวกันนะไม่ใช่ประตู4 ส, ส, สีชั้นนะเป็นประตูสีทิศถ้าเรามีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยคนไหนถนัดกายก็เอากายเป็นวิหารธรรมก็จะเห็นว่ากายกับจิตนะ่าโคลรนกันนะกายก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตที่ไปรู้กายก็ตกอยู่ใต้ใจรัก อย่นี่ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาเป็นนะที่ว่ารู้กายรู้กายไม่ใช่มีแต่กายนะต้องมีจิตเป็นคนไปรู้กายนะถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้ารู้แต่กายเป็นกายเป็นว่าไปเพ่งกายจิตจะไหลไปอยู่ที่ร่างกายเช่นรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะเลยนะเพรา ะ, ะนั้นถึงจะเจริญกายานุปัสสนานะถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ มันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจนี่เป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อยู่อีกส่วนหนึ่งตาตาและรูปที่ตาไปเห็นนะอันนี้เป็นตัวรูปนะตัวที่ไปรู้รูปก็คือจิตนะมีจิตอยู่ตา่านงะเสียงกับหูเป็นตัวรูปจิตที่ไปรู้เสียงไป ร, รู้รู้อารมณ์ทางหูนะก็คือตัวจิตตัวนามนะงั้นมองเห็นนะการที่เราเห็นนะมีตามี รูปนะได้ยินเสียงก็มีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสเนี่ยเป็นคู่ ค, คู่คู่กระทบสัมผัสกันนะคนที่ไปรู้การกระทบสัมผัสก็กคือจิตนะงั้นเวลาที่ภาวนานะถึงจะดูกายนะก็ต้องมีจิตเป็นคนดูถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เรียกว่าสมาธิไม่พอจิตจะไหลหไปรวมเกับกายนะหรือไปดูเวทนาจิตไม่ตั้งมั่นอยู่จิตจะไหลไปรวมกับเวทนา ไปดูจิตที่มีกิเลสนะมีราคะโทสะโมหะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่จิตจะไหลไปรวมเข้ากับตัวกิเลสไปเพ่งใส่ตัวกิเลสนะใช้ไม่ได้เหมือนกันดะงั้นตัวสําคัญเลยก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญานะีต้องฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกจิตให้ถึงฐานซะก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจเจริญปัญญาไม่ได้นะในอภิธรรมจะสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา มีสมาธิท <right. S 2> ี ong, no no ่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้ไม่ใช่พูดกันมั่วๆนะบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเจริญปัญญาได้ก็ไปนั่งสมาธิแต่ไปทํามิจฉาสมาธิไปทำสมาธิเพ่งอารมณ์นิ่งๆเพ่งอารมณูปนิชานันไม่จะไปเกิดปัญญาได้ไหมไม่ได้เลยนะงั้นที่พูดบอกว่าตําราพูดบอกว่าต้องมีสมาธินะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานั้นถูกเป๊ะเลยแต่สมาธิไม่ได้มีชนิดเดียวนะ สมาธิส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักนั้นมันคือสมาธิของฤาษีชีไพร์ไม่ทําให้เกิดปัญญาถ้าทาสมาธิอย่างนั้นแล้วเกิดตัญญาฤาษีทั้งหลายต้องบรรลุก่อนพระพุทธเจ้าเราเสียอีกเพราะเขาทำสมาธิแบบนั้นมาก่อนแต่ไม่บรรลุดนะังั้นพวกเราอย่ามัวแต่ติดให้สมาธินิ่งๆนะต้องรู้จักใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าใจไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวจะเดินปัญญามไม่ได้เลยนะใจต้องตั้งมั่นจริงๆเป็นคนดู ทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วไปรู้อารมณ์กรรมฐานแต่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตถ้าทำกรรมฐานแล้วรู้แต่อารมณ์กรรมฐานเช่นหายใจก็รู้แต่ลมหายใจดูท้องพองยุบเพื่อเห็นแต่ท้องเดินจงกรมแล้วเห็นแต่เท้าอันนี้จิตจะไหลเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวเรียกอารามณูปนิชานจะเดินวิปัสสนาไม่ได้ต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์นะ วิธีการนะถ้าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเหมือนที่เคยทำแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะมาคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอาจจะเคลื่อนไปคิดก็ได้หรือเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นก็ได้นะเช่นเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ย <est> er. จิตหนีไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดละรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทัน ทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติทำไมตั้งมั่นได้เพราะจิตที่ไหลไปไนดะ้เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะมีโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทธจจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปไหนฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสหาอารมณ์ทางใจจิตมันวิ่งหาอารมณ์ออกไป น, นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดรู้เท่าทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับทันที เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ก็เกิดสมาธิขึ้นทันทีเลยนะเพั้นเอาแค่ว่าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันสมาธิก็เกิดแล้วลนะ่ะเนี่คยค่อยๆฝึกนะทุกวันต้องซ้อมนะไหวพระสวดมนต์นะแล้วก็จะทําสมาธิหรือจะเดินจงกรมก็ทําไปนะแต่ไม่ได้ทําไปเพื่อให้นิ่งลุกเดียวยกเวน้นยกเว้นวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็ทําไปเพื่อให้มันสงบนะแต่วันไหนมันพอสงบพอสมควรแล้วเนี่ยทำกรรมฐานไปอีกแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหว จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเขาฝึกอย่างนี้มากๆต่อไปพอสติมันชำนานนะพอจิตเคลื่อนปั๊บสติเห็นปั๊บเลยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติมไม่หลงยาวพวกหลงยาวนั่นก็คือพวกไม่มีสติรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาความจริงยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ได้สมาธิตั้งมัน่นคือการทําฌาน ถ้าถึงชานที่สองแล้วเราจะได้จิตชนิดที่ตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมานแต่ถ้าเราทำฌานไม่เป็นใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี้แหละจะเป็นสมาธิตั้งมั่นเหมือนกันแต่เป็นตั้งมั่นในระดับที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิมีสามระดับนะสามเรเวลคณิกาสมาธิเนี่ยแค่จิตไหลไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นแตตั้งชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถ้าชั่วขณะนี้มีบ่อย มันจะรู้สึกเหมือนกับตั้งได้นานขึ้นนะจริงๆตั้งเป็นขณะขณะแต่ว่าถ้ามันถี่ๆนะอย่างเราดินสอมาอ่านนึงนะขีดเส้นปุ๊บไปเราเห็นว่ามีเส้นนะเอาแว่นขยายไปส่องสิเราจะพบว่ามันเป็นจุดๆนะมันไม่ใช่เส้นที่ต่อกันจริงๆเรามันเป็นจุดๆดำๆจุดๆไปนะหรือไฟฟ้าเรารู้สึกไฟฟ้าคงที่จริงๆไฟฟ้าก็เกิดดับอยู่มีนาทีหนึ่งหลายสิครั้งนะนั่นมันเกิดดับอยู่เท่านั้นนี่ตัว คณิกาสมาธิเนี่ยนะก็เกิดทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเกิดบ่อยๆนะมันจะรู้สึกเหมือนต่อนเนื่องยาวนานขึ้นมาได้เหมือนกันแล้หน้าที่ของเรานะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ให้ไหวนี่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นถึงจิตใจนะชนิดที่1เรียกคณิกะสมาธิอย่างที่สองอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิอย่างที่สมเรียกอั ป, ปนานสมาธินะแล้วทั้งสอันเนี่ยถ้าชํานาญพอนะใช้เจริญปัญญาได้ทั้งสิ้นเลยนะ ใช้เจริญปัญญาได้ทั้งสิ้นเลยแต่คณิกาสมาธิเนี่ยของคนทั่วๆั่วไปนะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจะเดินปัญญาได้นะสำหรับคนทึ่งชํานาญในการดูจิตและชํานาญในการทําสมาธิเข้าชาญชํานาญถ้าไม่ชํานาญ2อย่างนะไม่ชํานาญในเรื่องของการทําสมาธินะไม่ชํานาญในการดูจิตจะไปเจริญปัญญาในสมาธิชั้นลึกๆไม่ได้นะได้ก็จะตื้นๆหน่อย อย่างบางทีเรานั่งสมาธิไปนะจิตเรารวมสงบอยู่นะเราเห็นมีความไหวผุดขึ้นกลางหน้าอกอันนี้ใครเคยเห็นไหมเห็นมันไหวผุดผุดุดนะใจเราก็สงบไม่ยุ่งที่อื่นเลยนะเห็นตัวนี้ไหวแต่จิตไม่ไหลลงไปที่กลางหน้าอกจิตตั้งมั่นอยู่เห็นมันไหวผุดผุดผดุดขึ้นมาตัวนี้เราเดินปัญญาอยู่ถามว่าอะไรผุดไม่รู้อะไรผุดเพราะไม่มีคาพูดเนี่ยเดินปัญญาในระดับของอุปจารสมาธินะ ส่วนเดินปัญญาในระดับอัป น, นาสมาธิต้องชนานาญในฌานชานาญในการเข้าเข้าได้เร็วชนานาญในการทรงอยู่นะบางคนเข้าปุ๊บก็ไ ด, ด้งออกอย่างนี้ไม่ไม่ชำนาญต้องชนานาญในการเข้าชนานาญในการทรงอยู่ชนานาญในการออกออกก็ต้องชนานาญนะ <S <S ถ้าออกจากสมาธิไม่ชนานาญจะติดอารมณ์สมาธิออกมาออกมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องโลกข้างนอกนี่อีกเข้าออกต้องเร็วเลยนะ<ม>ถ้าฝึกมากๆเข้าก็เร็วตั้งอยู่ก็ได้นะจะถอยออกก็ได้ นี่สามอันแล้วนะอันที่สี่จะต้องชํานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอีกถึงจะเรื่องว่ามีวัตีในการทําสมาธิจริงถ้าเก่งในการเข้าปุ๊บเนี่ยก็เด้ง อ, อกมาเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีวัตีจริงนะถ้าเข้าไปแล้วไปแช่อยู่ออกไม่ได้นะค้างอยู่เป็นวันวันนะมีธุระจะออกก็ยังออกไม่ได้นี่ก็ไม่เรียกว่าชํานาญนะทรงอยู่ไม่ชํานาญในการทรงอยู่ไม่ชํานาญในการออกอะไรเนะี้ยใช้ไม่ได้นะ แต่ถ้าชํานาญในการเข้าสมาธิในการทรงอยู่ในการออกจากสมาธินะและชํานาญในการดูจิตเราจะเห็นองค์ชานองค์ชานนั้นเกิดดับนะอย่างตอนที่จะเข้าปฐมฌานนะถ้าใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างเรียกว่าทีแรกเราหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตลมตึ่นๆมาอยู่ที่จมูกนะมันกลายเป็นแสง แสงตัวนี้เรียกว่าอุขะหานิมิตนะแล้วถ้าจิตมันจดจออยู่กับแสงนะแล้วชำนิชานานนะรักษาความสว่างนี้ได้นะขยายได้เล่นเล่นให้เล็กให้ใหญ่นะเล็กเท่าปลายเข็มเลยก็ได้ใหญ่กว้างกวา ง, วางไม่มีขอบมีเขตเลยก็แผ่ออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเลยก็ได้เล่นจนชํนานนีนะจิตมันล่าเริงมันมีปีตินะมีวิตกมิตกคืออะไรมิตกคือจิตเนี่ยจับอยู่ที่แสง วิมีวิจารณ์วิจารณ์คืออะไรนะวิจารณ์ก็คือจิตเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างตงัวเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเนะี่ยจิตเข้าเคลียร์อยู่กับปฏิภาคนะโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับจิตนะจิตมันเข้าเคลียร์เองแล้วมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยตัวนี้ได้ปฐมฌานะนี่ถ้าเดินตัญญาต่อไปก็จะเห็นอีกว่าตรงที่มีวิตกวิจารนะจิตเคลื่อนไปหาแสงสว่างอีก ตรงที่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปหาแสงสว่างเนี่ยการเคลื่อนจะขาดวิตกวิจารณ์ดับนะเหลือแต่ปีติสุขและความเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยชื่อชา้นที่2เพราะฉะนั้นในชั้นที่2เนี่ยจิตจะถึงฐานอย่างแท้จริงเลยเพราะไม่เคลื่อนไปหาแสงสว่างเพราะไม่มีวิตกไม่มีวิจารและวิตตกไม่ใช่แบบคิดนะวิตกก็คือการที่จิตมันจับอารมณ์ไว้วิจารณ์คือการที่จิตมันเคล้าเคลียร์อยู่กับตัวอารมณ์นั้นนะเนี่ยจะเห็นวิตกวิจารณ์ดับไปนะปีตินี่จะเด่นอยู่ สติะระลึกรู้ปีติปีติจะดับนะเป็นความสุขจะเด่นขึ้นมาสติะระลึกรู้ความสุขความสุขอ่าดับนะหรืออุเบกขาเด่นขึ้นมาจากอุเบกขาเนี่ยบางทีจิตก็ถอยมานะมีความสุขก็ขรู้ทันกลับไปก็ได้ถอยลงมาอีกมามีปีติก็ได้หลุดออมาข้างนอกเลยก็ได้นะเข้าออกเข้าออกอยู่ในองค์ชานจะเห็นว่าองค์ชานทั้งหลายหรือกระทั่งตัวจิตที่สวยอา ร, รมณ์ในอง์ชานนะไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกนะ องชานทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวจิตเองนะก็ไม่ใช่สภาวะอะไรแต่เป็นเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองหาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่เดินปัญญาในสมาธินะพวกเราทําไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ชํานาญในการสมาธิหนึ่งยังไปทําสมาธินิ่งๆไม่มีทางเห็นความเกิดดับขององชานเลยนิ่งลูกเดียว หลวงพ่อเสียเวลา22ปีนะา ก, การนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าดื้อรั้นทำแต่สมาธิหรอกนะแต่เพราะว่าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ตอนเจ็ดขวบไปเรียนกับท่านพ่อรีพ่อพาไปไปอยู่เรียนกับท่านได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะท่านก็สิ้นไปแล้วแต่ท่านสอนให้นำสมาธิทำมาตลอดนะ22ปีถึงไปเจอครูบาอาจารย์ที่เจลิงปุณท่านสอนให้เจริญปัญญา ท่านสอนหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูจิตเลยเนี่คำสอนของหลวงปู่ ด, ดูลนะหลากหลายมากนะมีตั้งแต่พื้นนเลยหัดทำสมถะเลยก็มีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก็มีนะฝึกเจริญปัญญาก็มีนะมีเป็นขั้นขั้นขั้นคำสอนท่านใครมาถึงตรงไหนเนี่ย น, นะท่านสอนต่อยอดให้นะั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดที่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นองค์ที่สองที่เป็นอย่างนี้เลย หลวงปู่ดุลเนี่ยเวลาเราเข้าไปหาท่านนะไปถามกรรมาฐานท่านถ้าไปครั้งแรกนะท่านไม่ตอบไปถามท่านหลวงพ่อไปถามท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงนะเงียบไปเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะเราก็นึกว่าหลวงปู่นั่งหลับไปแล้วเปล่าล็อกจริงๆไม่ได้นั่งหลับเป็นตอนหลังรู้จักกับพวกเพระอุปถาพระอะไรนะบอกท่านเป็นอย่างนี้แหละใครถามกรรมาฐานนะท่านสอบประวัติ พอท่านลืมตาท่านก็สอนเลยสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนดูจิตเลยไม่มาดูกายเลยนะแล้วก็สอนบางท่านว่าดูดูผมเส้นเดียวนีบางท่านดูกระดูกบางท่านสอนให้พุโทโธบางท่านสอนให้ประคองจิตให้ว่างคือคําสอนจะหลากหลายตามระดับที่พวกเราเรียนได้นั่นอย่างถ้าเราไปถามลูกศิษย์หลวงปู่ดูลคนใดคนหนึ่งแนะลหลวงปู่สอนอะไรตอบมาไม่มีเหมือนกันหรอก เนะพราะท่านสอนไม่เหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นนักวิชาการนะไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่สอนเราอย่างนี้นะเจอพวกลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันเนีย่ยถามแหลกเลยว่าหลวงปู่สอนอะไรถึงเก็บไว้ได้เยอะเล ย, ยเก็บข้อมูลไว้ได้เยอะเลยนะครูตั้งแต่ครูบาอาจารย์ชั้นรองร ล, ง, ลงมานะนะอะนี่ยเพราะท่านสอนไม่เหมือนกันนะแต่คําสอนของท่านมีระดับนะไปอ่านแอสไซหนังสือนะไปอ่านคํา น, นําหนังสือ แกนทำคำสอนของโลปุดูลนะอ่านคำนำก็พอแล้วพอไหวไหมอย่าติดสมาธินะสงสารนะเสียเวลานา น, านตอนพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านคิดถึงครูเก่าของท่านอ า, าลารดาบทอุททกระดาบ ท, ที่สอนท่านนั่งสมาธิพอท่านลึลึกไปท่านก็รู้ว่าตายแล้ว ไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเรียก อ, อรู ป, ประพรหมนะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายแลมีจิตดวงเดียวรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เลยนะท่านก็อุทานขึ้นมาบอกพลาดจากคุณอันใหญ่นะครูบาอาจารย์บางบองค์ท่านก็แปลให้ถึง อ, อกถึงใจว่าอุทานบางชิพหายแล้วคือนะสอนไม่ได้แล้วเรียนไม่ได้แล้วนะพลาดจากคุณอันใหญ่นะยังถ้าพวกเราติดสมาธิมากมากนะ พอภาษีอริยเมตไตรมาตรัสท่านเกิดสงสารเราเคยเจอเราเมาื่อแสนกลับก่อนไหมไปอยู่ไหนโอ้ไปเป็นโรมซะแล้วนะไม่มีรูปซะด้วยนะพลาดจากคุณอันใหญ่นะได้ยินพระพุทธเจ้าสรรเสริญเราว่าพลาดจากคุณอันใหญ่เราอยูะแย่เลยนะ <c oughs> อ้าวไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ